พูดเรื่องโลกโลกภายนอกเป็นองของกววามากยากขึ้นกัน น, นานาไอ้จิงจุดโลกมีสองอย่างคือโลกภายนอกได้แก่แผ่นดินต้นไม้ภูเขาลาวาเลือดทั้งหลายนันเรียกว่าโลกภายนอก โลกภาย น, นอกเป็นของมีอยู่ตั้งแต่ก่อนเราเนี้ยมาทางเกิดพวกส ม, มัยนี้พวกวิทยาศาสตร์ตำรวจเห็นความชัดแจ้งแล้วว่าโลกเป็นของกลมสมมติว่าเราจะเดินทางอย่างสมมติว่าเขาเดินเรือในทะเล ด้านเข็มคิดให้กลง้งแบงคิดแต่วันออกเลยไปจนทุดกูทุกกูในผลที่สูกจะจับจากวกกลับขึ้นมาถึงที่เลมนี่แสดงว่ามาันเป็นของกลมในทางพุทธศาสนาก็แสดงเหมือนกันในคำวีไตรโลกวิธาน ยังแสดงช่วงของพิจารณาต่อสมัยวยิทยาศาสตร์มากข้ะ ท, ที่พระพุทธองค์ก่อไม่มีเครื่องเวทวัดและไม่มีเครื่องพิสูจน์อย่างสมัยยุนีตั้งพระพุทธองค์ตรัสเทศนาเรื่องไตรโลกวิภารพิสดาเพื่อที่จะพัฒนาครับกล่าวทั้งต้นไม้ในต้นน้าลําธารแม่น้าทั้งหา มีชื่อว่าอย่างนั้นเกิดจากภูเขาลูกนั้นมีลักษณะฉันฐานอย่างนั้นจึงเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมีจิงเรียกในที่พุทธองค์ประเทศนาแล้วก็พูดถึงเรื่องโลกก็คล้ายกันกับทางวิทยาศาสตร์ว่าแผ่นดินที่มนุษย์บนเราอยู่นี้เหมือนกับใบบัว ลอยอยู่บนน้ำใต้น้ำนั่งไปนั้นเป็นลมใต้ลมนัไปเป็นอนา ก, กาศป้านเ่าถ้าจะเทียบกับที่ยวขึ้นไปถึโลกพระจันร์ก็ไม่มีจิตอะโลกพระจันทร์ลอยอยู่บนอนา ก, กาศโลกที่เราอยู่นี่มันก็เป็นอีกโลกหนกึงจะลอยอยู่บนอต ก, กา เนื้อชั้นากาศคือมันก็เป็นลมเนื้อลมหัวก็เป็นน้ำในความรู้ละเอียดลึกซึ้งของพุทธเจ้งงาพระพุทธนจ้าแต่พระพุทธองค์ไม่ค่อยจะเทศจะสอนอะไรนักก็โลกเป็นอจินไตยสอนไปแล้ว ก, ก็ไม่เห็นเจ้าคนจากถ้าเป็นใสเพิดพระพุมีภาพอย่างสมัยอันนี้แหละเขาแข่งขันกัน เป็นเรื่องเรื่องไปเยี่ยมโลกพระจนันทรไปเหยียบโลกพระจานทร์ไปอันกําล้างแข่งขันกันแต่กันได้ผลที่สุดพวกมันนั่นก็ไอ่เห็นได้ดิบได้ดีที่จิตที่ตัวอะไรคือไม่ใช่เป็นไปประถมอุจจาระในผลที่ตัวเขาเลยกลับมาปวดรีบปวดเดชแข่งขันไปชั้นดีเ่นซึ่งกันและกันเป็นเรื่อง แข่งกิเลสกันเหตุน่าเึงเรื่องโลกภายนอกครันพูดไปทำที่จริงที่สุดแล้วก็ไม่เป็นไปทุกข์โคบุญสุดหมดจุดผนจากกิเลสบาปประทับดับอธิบายมาแล้วนอกจากมผนจากกิเลสบาปประทับนัก็เป็นเครื่องแข่งขันปี้ชันซึ่ ง, งกันและกันยังเป็นช่องเป็นทางที่จะ ไอ้ตื่รัชการรับหรือว่าพวกยุยทธศาสตร์ต่างๆอาศัยดาวเกียมเป็นตน้นคือมองที่จะฆ่ากันนั่นเองพูดง่ายหาเรื่องที่จะฆ่ากันทางนั้นอ่ะอันที่ไปที่สูจนงเรื่องดวงดาวเรื่องอากาศอะไรต่างๆนันมันเป็น โลบังหนาปิดบังไว้ให้ไม่คนอื่นรู้ในทั้งตนในใจเพราะไม่จริงไม่ใช่ยาง้งปิดต้องการที่จะให้เห็นความลี้รับข้องกันละกัรโดยเฉพาะเรื่องจุทธศัตร์ยุทธศัตร์จุดยุทธศักตร์ของแต่ละของแต่ละประเทศพระพุทธเจ้ายัางไว้เคยสอนนะ พระพุทธองค์ประอตรัเทศนาทพราะมีเกศบางประาการเทศศานาแต่ละแล้วไปคิดเทศมากที่สุดคิดแสดงมากที่สุดประืุขันทะโลกได้แกตัวของเราขันท่าได้แก่รูปเท น, นาสัญญอย่ญญางนิ่งเทศมากที่สุด บุรุษประวัติศสร์พุทธเ้้เาจเทสนามากกว่าจิ่งในแรงทั้งหมดด้วยอื่นหมดเลยถึงแม้ว่าโลกอันนี้ขันธโลกคือขันหาหันจะเป็นของเล็กน้อยกต่ตามแต่ชี้จจแจงแสดงแยกแย ก, แยกออกไปเป็นสัดเป็นส่วนมากเหลือมากดังจะเห็นได้เมื่อตั้งขันธาหังไปแล้วเรียกขันธโลกแล้วแยกขันธ ออกเป็นกองเป็นเหล่าแยงออกไปเป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจในเพราะที่ตะลวงเของอา้าว่าคือกายกับใจอีกอ่ะขันหา้างคือกายกับใจเหมือนกัน น, นี้ก็แสดงเข้าไปถึงพัสตาเมื่ออายุตนะและว้วก่อน อาย the awesome. ุรภายในคือตาอายตรณาภายนอกคือรูปรูกกับตามันจะกบกับเขาตามภาษาทางละไหลเขาเรียกว่าแสงสะท้อนให้เกิดความรู้สึกที่เรียกวิญญาณพอรู้สึกเกิขึ้นมาเป็นโน่นเป็นนี่จําได้นู่นนี่อะไรต่างแล้วเรเรียกวิญญาณแยกออกไปอย่างนี้เหมือนกันจากรูกกับนาเหมือนกันคือขันนี่แหละ ทิศ ด, ดานกว้างขวางแล้วก็แยกออกไปเพื่อปอระโยชน์อะไระฐานเขามดเข้ามาให้มันยอะย่อเพื่อจะได้เป็นแนวปฏิบัติแยกแยกออกไปให้รู้จักให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อจะได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในฐานที่จะงับดับเพื่อเป็นของถูกุ้อง เช่นยางขันเนี่ยเป็นต้นขันรูปคําว่ารูปในที่นี้นี่ยหมายควนัเรื่องความเปิเปเปเปเปดดับรูปนั่นก็นไม่ใช่อื่นไกลอลไรหรอกรูปปากก็แปลว่าลบนั่นแหละไปพูกง่ายเรียกว่าลบนั่นแหละถ้า ท, าท่านอธิบายออกไปแยกแยกไปอีก ลูกแปลว่ามีอันจะต้องดับมีอันจะต้องแตกสลายเรียกว่ารูปเราพูดกันง่ายเรียกว่ารูปคือดับหรือลบเขียนเป็นตัวหนังสือขึ้นมาในกระดานดำเป็น้วแกเขาลบเขียนขึ้นมาแล้วก็ลบนั่นดับเรียกว่าลบรูปจะอลบเขียนขึ้นมาคือเกิดเขียนแล้วเขาคือลบคือดับคำว่ารูกนั้น แปลว่าเกิดดับหรือ ม, มีอันจะต้องแตกสลายเรี่ยกว่ารูปนี่ให้เข้าใจว่ารูปเป็นเพียงแค่มีเพียงแค่นะัเฉพาะเรื่องรูปอันนี้รูปนี่แหละถ้าหากเรารู้จักว่ามันมีเพียงแค่เกิดดับไม่ต่างมันจะดับวันไหนก็ไม่ตาเราเข้าใจเพียงแค่นี้แล้ว ขณะที่รูปยังมีชีวิตคือยังใช้ได้อยู่รีบใช้ให้มันถูกต้องในทางที่ดีให้มันได้คุณค่าประโยชน์เกิดจากรูปโดยการกราบไหวบูชาสิ่งที่มีคุณประการะเช็นบิดามันดารุบาอาจารย์ถือพระพุะทธธรรมพระสงฆ์เอารูปเป็นกราบ คือเอาหัวอเอามือหมดเท่าตั ว, ตวของเานี้แหละทั้งหมดจะไปกราบถ้ามันได้ประโยชน์หรือว่ารู้จักตนาดจา ก, กยิดสิ่งของไปทําบุญทำทานอ่าเป็นประโยชน์หรือนํำมาตัวของเรานี่แหละเข้าวัดฟังธรรมจาศิลคือรูปตัวเนี้ยถ้าไม่มีรูปไปจําศิลไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ เข้าได้เขาก็หามเขาก็ถามแล้วเผามีประโยชน์อะไรหรอถ้าหามไม่มีรูปวันนี้ถ้าหากว่ายัางใช้ได้รีบใช้ใชย้ายถึงกับข้อหามอันตัวนึงถ้าขา้อหามแล้วก็หมดถ้าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้รู้อันนี้เรี่ยว่าใช่รูปไม่เปลียนประโยชน์นอกจากนั้นอีกเรามาหัดพวัานดา พิจารณากายคตาเห็นอสุภะปฏิกูลผมข<ม>นเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นของปฏิกูลโสโครให้เห็นเป็นของตามให้เห็นตามเป็นจริงเมื่อจริงนี้เป็นของโสโครแค่แ ค, แค่ทำไมยังต้องพิจารณาได้ของไม่ดีต้อนาทำไมยังมองแต่ของไม่ดีไม่ใช่มองของไม่ดี คือว่าจริงไม่ดีเนะี่ยให้ดูเหมือนกแก้วของแล้นี้แล้วด้วยปัญญาของดีจะไปดูมาด้วยดูมันก็แก้นั่นแ่ะนอกจากดูของไม่ของดีมันไม่เป็นของไม่มีประโยชน์แล้วยังการให้เกิดโทษทุกข์หลงหลงมุมหมอกมวเมาทำให้แล้วขอบไปหลงติดคิดจเป็น สดงดาชอบชอบชอบใจติดมันอยากได้อยากชอบอยากชมนี่มันในเปนประยชนคือไปชมของเน่าท่านาก็มาเปรียบไวเหมือนกับกาเหมือนกับอีกกากินชาบชากินินชาบ้าง ท่านอุปมาเรีเยรอีกากมีนิทานเล่าไว้อย่างนี้นิทานเป็นธรรมะอุามาเพียบเทียบว่าช้างตัวหนึ่งมันตายไหลแม่น้ำมาจิกาไปเห็นเท่ากับเอ้ยตอบพวกเจ้าใจใหญ่โตกรงชันไปจิกไปเผาะกินอยู่นั้นน่ะอยู่ในไอ้โคงช้างซากช้างตัวนั้น มันก็ไหลไปตามก็แตะให้ขันไหลไปไหลไปพวกเขาอยู่ริมฝั่งนะมันกินลูกไม้ลูกโพลูกใจสนุกเฮหาอยู่เรียกร้อง ม, มาเฮ้ยไปกินด้วยกันลยลูกไม้ผลไม้อร่อยหวานดีเหลือเกินกีกาตัวนั้นมันบอกว่าขังไปแล้ว ้าตัวนี้ค่ากินตแต่เจนี้ไปถึงวันตายก็ไม่หมดถ้าไม่ต้องไปถ้าไม่ต้องไปที่ไหนลแล้วก็เลยไหลผ่านไปไปไปไปถึงแห่งอีกแห่งหนึ่งเขาก็เรียกร้องมึงไปหมู่เพื่อนนันก็มียอยู่ในผลที่สุดไหลลงไปในปากห่าวกระทั่งไหลลงไปในสระแมน้ำมหาสมุททะเลใหญ่โตกว้าง จนมองไ่าเห็นฝั่งคันนี้จินไม่ทันหมดเียทั น, นมันเน่าเปะจนกระทั่งจมลงไปเลยตอบกีกาก็ไม่ทราบจะไปทางไหนไม่มองเห็นฝั่งจะแลบในผลที่สุดไม่มีทางฝปได้โยมเยู่ยตบองสรางทางถ้านอุปมาเตรียบไปเรื่องทางธรรมา คนเราหลงความเน่าความจกปลกตัวตนตนเราเข้าใจเรื่องของดีเหตอีโสไม่มองเห็นของจกปลกบกเล็กสีอยู่คือตีความอร่อยจะรสชาติตอของตลมดีคือว่าตนเป็นคน ด, ดีนั้นจนกระทั่งกว่จะรู้สึกตัวนูนะ่นน่ะ เวลามันเจ็บไข่ได้พวยและเวลามันตายไม่มีที่พึ่งอาศัยไม่มีทางไปก้าซกลงเลยจมอยู่กับซากอ่างคือจมในมดองสุกเหนียวจับตับโอค่าคือแม่ น, ามน้าใหญ่โตที่ตากล่างมันไปจมคือตัวี่เลสตัณหาเรียกว่านัดทีไอตัณหาธมานัดที แม่น้าเสมอได้ความอยากไม่มีความอยากแล้วมันไหลไปตลอดเวลาน้าก็ไหลตลอดทางปีมดแล้งฝนอย่างไม่ท้้งคงเรามองอยู่ดูอยู่เลยไหลอย่างนั้น่ะตลอดป้าตลอดฝนตลอดปีตลอดชาตความอยากของคนเรานะ่ะของเดิมกันไหลไปหาแต่อยู่งั้นตลอดเวลายืนเดินนั่ง น, นอนเนี่ยก็ไหลอย่างงั้น รับไปแล้วอย่างนั้นฝันรับไหลไปอยู่ไหลมันไหลไปไงทั้งว่าไหลไปหาทางชั่วของเหลวของไหลมันต้องไหลไปนหะจี่ตับไหลไปทางที่ชั่วครั้นห้าหางว่าของแข็งก็ไม่ไหลของเหลวก็ยังไปไหลตัญหาที่รวมที่เยอะทะยานดิ้นโลนเสือกโสมนี้มันต้องไหลไปอาถที่ชั่ว มัวเมากระโจนลุ่มหลงก็มาเหตุนั้นทั้นแังสอนในพิจารณาธรรมะให้เห็นอสุภะปติภูณซึ่งเป็นของเป็นสิ่งนี้อยู่ในตัวของเราอันนี้เรามาพิจารณาขันธโลกนี่เรียกวิญญาขันธโลกคือเห็นเป็นของอสุภะปฏิปูณ เือเน่าตัวโดนนหนอกไม่มีขอ ง, งดีของดีเลยถ้าหากเรามามองดูนี่เห็นข้าเปลี่ยนเครื่องนุ่งผ้าหมที่เราปกปิดอยู่นี้ฟูฟ้านกันกะว่าเอาผ้าห่ออุดน้ำเน่าค่อยสูญชาบออกมาลา้ากดเป็นเหนือกเป็นไข่เหม็นเน่าเนมนตับนี่นไม่มีจิดอะไรกับ ห่อตากันสุดเคยประสบมาด้วยตนเองมีผ้าอัหนึง่งผ้าไม่ซักซักขีไม่ตัตกกักืีมมแล้วไปเก็บไว้ในห้องเขาไปจัดห้องแล้เรานอนพอดีเราเข้าไปไหนมันเมน้นอะไรสเหมิตอะไรตาย มองดูก็ไมเห็นมีอะไรออกมาแล้วกลับเขไปอีกเมืนเมื่อก่าเจงเมนอยู่ตรงไหนมองไปมองมาเห็นผ่าฟองไปเลผ่าเก่าถูกเหนื่อยหรือใครแล้วสรักมันเพรน่นเหม็นอย่างคนตายจริงๆจ้กแต่ก็มันชินท่านก็ยังอยู่ได้ข้อตนคนเราแต่ละคนก็ควก็ปรกทำไมทั้งอยู่ได้เมันเคยคิด หากคนอื่นไปเจอเขรั่งเฉ่งจะรู้กก็ไม่ใช่อื่นไกลแล้วล่ะมูลฟันในปากของเรากอดีหรือปากของเราบางส่วนเป น, นปากหนีนอย่างนี้เป็นต้นต้นนี้ก็ไปสรู้สึกหากคนอื่นไปใกล้ก็ั่งเฉรู้สึกว่าเป็นของหนีนอันนี้เรียกเลี่ยงเรียกว่าของเคยขีดถ้าวิจารณาขันอาานันนี้เป็นของอสุพระปฏิปุณจะเป็นของหน้าเบื่อหนัก คนเรายังไม่ทันตายเน่าเส็จแล้วแต่ป่านถ้าว่าขาดลมหายใจเมื่อใดแล้วยิ่งเ็ะเน่ามีขนาดนี้มากเน่า น, นี่มันไม่ทันเปื่อยถ้าขาดลมหายใจเอาไปจัง น, นานสักหน่อยจะเน่าเป๊ะใครๆก็จะรู้บ้าเรองนี้นี่แหละขันทโลกท่านยังสอนในปิยนาขันทะโลก ใครรู้จักว่าลูกวันนี้เป็นของเกิดดาวเพียงแค่นี้ประโยชน์ของมันมันมีอะไรเราเท่านั้นละ่ะผู้ซึ่งจะได้ประโยชน์จากมันก็หันมาพิจารณาเห็นเป็นตามสภาพตามเป็จริงแล้จะเกิดความสลดทางเวทไม่ติดไม่ยึดมั่นสำคัญเราเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นขอเราเป็นหนุ่มเป็นแก่หรือว่าสวยว่าสดมดงามเราขิเล็กขีลไรมีสภาผเพยียงเดียวหมด แม่กับชายความยินดีพอใจความกาหนัดดักไข่ในรูปของตนได้มันดีมีประโยชน์อย่างนี้ท่านจึงสอนให้แ ย, ยกกวาเป็นรูปยิแยกรูปอกไว้นะแยกรูปกาวาให้พิจารณาเนี่ยให้เห็นอย่างนี้นะถ้าก็แ ย, ยกเวทนาทั้งยาทั้งฐานที่เป็นนามธรรมออกเมทนาคือความสุขความทุกข์ลึกความที่สุข อันนั่นก็ตัดไป้บริเวณน่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับใหม่ทุกเวทนาอันนี้เกิดขึ้นมาพออันนี้ดับแปลงใหม่เกิดขึ้นมาพอห น, น้นเกิดขึ้นมาใหม่ดับอันนี้ไออันนั้นดับเแปลงใหม่เกิดขึ้นมาอีกตามตามกันอยู่ยงี้ตลอดกาลเวลาเปรียบเหมือนกับลูกคลื่นที่กระทบฝั่ง ลูกคลื่นมันเป็นคลื่นตีมาเป็นแล้วลอกแล้ลอกมากระทบฝั่งตึ้งลูกนี้กระทบฝั่งหายไปลูกอื่นตีมาอีกกระทบอีกตึกคนที่ไม่เคยไปเห็นน้ําทะเลก็คงจะไม่รู้เรื่องอันแม่น้ําขงแล้วนี่มันของเล็กน้อยคลื่นเล็กน้อยถ้าอยากจะดูเทียบตับน้ําทะเลแล้วก็ดูเวลาเรือใหญ่มานนี่ะลูกคลื่นมันตีมา่ะ เป็นป้อนไปป้อนเป็นอรอบเป็นรอบมลบบงังงานอันทุกประเมินกันดังเคยอธิบายสั่งมาแล้วทุกข้อหิวพอได้ทานอาหารมันก็หายไปเรื่อยอันนี้ก็หายไปแลต่ทุกข้อกันบริหารรักษาหรือกันเก็บสิ่งเจ็บของที่เราเอามานอามาอามาใช้อันทุกมันหิวหายไปทุกอื่นกลับมาแข็ ในผลที่สุดในตอนสุดท้ายก็คือว่าทุกกิมแล้วก็ทุกไปถ่ายทุกทานแล้วก็ทุกถ่ายทานก็ถ่ายตัวเดียวกันทุกง่ายๆจะยอ่อเพราะทานแล้วก็ถ่ายเพราะทานนั้นหายยางหิวหมดเลยละ่ะทานยังทุกถ่ายจะต้องเอาไปถ่ายเอาไปกี่อีกเขาเรียกว่าไปส่งทุกเพื่อไปส่งยช่ ถ้ามันก็มันจะลำบากเกิดท้องตุ่นท้องเพ้อเจ็บปวดอย่างรุนแรงอันนี้ก้อนทุกข์มันเป็นะระลอกเป็นพื้นเป็นรอกตีมาเป็นรอกเป็นะระอกตีมาอันนี้เรียกว่าทุกขเวทนาพระพุทธเจ้ทเทาท่านยังสอนในพิจารณาเวทนาเป็นอย่างนี้ คือเรียกว่านามจำยาความจำจำนึกจินต่างจำแล้วลืมไปหายไปดังอธิบายฟังมาได้กินจต่มาจำคนไม่ประได้มันเสื่อมความจำทรงจำมันเสื่อมเพราะความจำมัไม่ใช่ของเรา มันในของเสื่อมันจะลายหายสุดก็ได้แล้ ว, วก็จํำโสมโกรธคนนั้นกโกรธคนนี้มันหายมานหนึ่งเหมือนกันโกรธใครจาําหมายป้ายไว้คนนั้นแบบแหมเราไม่ชอบใจไม่ชอบขึ้นหน้าจะเลยมันหายได้วันหนึ่งเหมือนกันเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอ่าความํามันหายได้อันนี้เป็นเซียงสัญญาหรอกมันจําแล้วเสียไปกโกรธ ให้มันจำใช่สัญญาจะจะว่าเป็นเครื่องจําใจใจเลยจะไปโกรธมีเรียกว่าใช้สัญญาเป็นอันนี้ไปจําำแล้วก็โกรธพร้อมเนี่ยใช่ไหมถูกโกรธไว้ท่างหาสิต้องจาไว้ต่างหากสิเดี๋ยไปไว้ดูกันสัญญาคือสงจําตั้งขารคือควาตรุงความแต่ก แต่ให้เป็นหนอนเซนเน่สารพัดทุกอย่างความคิดความนึกความปรุงความแต่งอย่าั้นจริงอะต่างกันไปตามความคิดต้องเห็นตัวตนให้วางความแต่งความปรุงในไว้อันหนึ่งถ้ามันใช่แต่งไปเถอะแต่งไปแล้วเราเยอย่าไปออกมาเป็นหลักของเราคือยอย่าไปยึดออกมาเป็นของเรา ให้เป็นได้ซักได้ว่าสังขารมันส่วนแตกเรื่องของมันแตกแต่แตกแตกเราอย่าได้ไปเอามาเป็นตัวเป็นตนเดี๋ยวได้มาเป็นเราเป็นเขาตัวสังขารมันแตกไปแล้วมันก็ห า, ายไปถ้าหากแล้วไม่ยึดเอาเป็นของเรามันก็ไม่มีคิดอิสระของตัวสังขาร ตัววิญญาณคือความรู้สึกแต่เพียงเดียวิญญาณตัวรู้สึกนี้รู้สึกเบื้องตน้นเรียกว่าวิญญาณยังตาเห็นรูปการเห็นข้ั้งแรกเป็นตัววิญญาณเป็นความละเอียดหน่อยแต่การที่ไปเห็นรูปข้ั้งแรกเป็นตัววิญญาณถ้าหางก็ไปจำแลมเป็นสัญญาไปเลยแล้วเป็นจำว่าคนโน้นคนนี้ว่าอะไรตัวอะไรต่าง เพราะว่าทูติงของโนโเนียอะไรต่างมันเป็นสัญญาเสแล้วอยากได้ไม่อยากได้เกลียดโกรธชอบไม่ชอบอันนั้นเป็นกิเลสเกิดขึ้นมาเสแล้วเข้าไปยึดไปถือจนเกิดกิเลสเนี่ยมันไปหนู่นสัญญาคือต่วนจำในเบื้องตน้นชักได้ว่าเอ่ยวิญญาณคือความรู้สึกในเบื้องตน้นชักได้ว่าวิญญาณที่พืเจ้าท่านแยกแยกออกไป แยกขันหะให้เป็นลูกกับนาแล้วก็แยกนาเป็นสี่ลูกเป็นอันหนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจเราใช้มันถูกตามหน้าที่ทังอธิบายนี่นี่พระจะเจ้าของเราท่านต้องสแสดงขันทลกุกมันมีประโยชน์อย่างนี้ขันหะหากว่าเราใช้มันถูกวิธีการของมันหรือตามหน้าที่ตําแหน่งของมัน สถาให้ได้เป็นเหตุให้เกิดกิเลสหมองหมองไม่เป็นเหตุให้เกิดความลุ่มหลงเรื่มมาม่เป็นเหตุให้เกิดความโุมปรกความหลงไม่เป็นเหตุให้เกิดความเกลียดความฉันามรักความชอบให้ตางหน้าที่ของใครมานักสำรวจเขาเป็นเจ้าท่านเห็นเกิดอย่างนี้จึงได้สอนมากมายตอนนั้นซจริงจริงอยากจริงเดือนอธิบายเรื่องเดือนันโลก มันเป็นไปเพราะความรูม้สุดหมดจุกคือไม่มีกิเลไม่มีแข่งขันแต่กันต่นไหนทั้งวัดคือความรู้เพื่อจะข้ตำแหน่งวางเพื่อตำแหน่งต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างวางต่างคนต่างปลอดโลกอันี้ ม, นมันมีเรื่องจบนีเขาไปวิชาวิจารณ์เขาไปเหยียบโลกวิจารณ์เงินยุ่งเงินจะตายมาอวดไปชันแข่งขันแต่กันแ้วกันอะไรต่ออะไรยุ่งกันไปใหญ่โตทัน ทั้งโลกเป็นของน้อยนิดเดียวแต่หากว่าพูดใช้ปัญญาพิจารณาเร้่ของก ว, ว้วกว่าผู้ไม่เห็นขันทันโลกเป็นอนิจจังทุกขาาังร่างกาเรียกว่าเดินปัญญาพิจารณากับพระอาศัยขังโลกเห็นอนิจจังทุกขังร่างาเห็นสภ า, าวะทั้งเกิดดับและก็ปล่อยวางไม่ยึดถือถเรื่องขันทโลก บริสุทธิ์จิตใจเอาเถอะถึงจะไม่บริสุทธิ์จะตามถ้ามารูเท่าเข้าใจโดยไหนนี่แล้วถึงจะไม่บริสุทธิ์หมดจดก็รู้สึกว่าจิตจะค่อยผ่องใสคีเรศจะค่อยบางบางความหนักหน่วงในเรื่องความหลงมัเมาจะค่อยห่างหูได้จะค่อยเบาบางไปอ้าเราใช้อย่างนี้อยู่ตลอดกาลเวลาหรือพิจารณาอยู่ตลอดเชนิด มีวันหนึ่งซึ่งเราจะต้องในประสบของจิตสิ่งที่เราต้องการนั้ น, น่นคือความบริสุทธิ์วันหนึ่งเราจะต้องพบนอธิบายเป็นเรื่องกันทะโลกมาในวันนี้โดยเฉพาะเท่านี้